พวกเราก็ปฏิบัติกันมาสองสาวันนะนะก็อาจจะวันแรกๆ ก, ก็เหมือนเป็นการปรับตัวเนาะกับปรับตัวกับประถานที่บ้างหรือว่าปรับตัวกับกิจวัตรเนาะที่ต้องตื่นเช้าขึ้นบ้างนะหรือว่าปรับตัวกับกิจวัตรที่ ไม่ได้ทําอย่างอื่นนอกจากปฏิบัติทำเป็นหลักนะมันก็ยังเป็นความที่ไม่เคยชินนะแม้หลายครั้งเราก็เคยทํามาอยู่ใช่ไหมหลายคนก็เคยมาเข้าคอร์สปฏิบัติหรือว่าเคยมาอยู่วัดนะปฏิบัตนะิแต่มันก็เหมือนนะมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราทําเป็นประจําทุกวัน หรือว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยนักนะเพราะการที่เรามาปฏิบัตินะทั้งวันทั้งคืนนะอาจจะไม่ถึงั้างคืนหรอกนะก็ถึงดึกบ้างตื่นเช้าบ้างเนะี่ยมันก็เป็นสิ่งที่คนทั่วไปส่วนใหญ่ก็ไม่ได้คุ้นเคยนักนะันเดเป็นการเหมือนเป็นช่วงปักตัวด้วยปรับใจด้วยนะ แม่เราเคยทำมาแล้วแต่ก็เหมือนมาเริ่มใหม่นะมาเริ่มกับสถานที่ใหม่มาเริ่มกับรูปแบบนะที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องนะก็อาจจะเกิดความเมื่อยล้าบ้างเกิดความง่วงนอนบ้างนะหรือเกิดความฟุ้งซ่านมากบ้างเนาะแต่ส่วนใหญ่ก็ประมาณสองสาวันนะเดี๋ยวก็อยู่ตัว แต่หลายคนอาจจะพออยู่ตัวแล้วก็ต้องกลับไปละก็อาจจะต้องมาเค้าหน้าก็ต้องมาปรับตัวใมาอีกละนะแต่ถ้าเราจะให้ดีนะก็อย่างที่ว่าการปฏิบัติมันควรจะเป็นวิถีชีวิตของเราที่ทําเป็นประจําอำแม้เราไม่ได้มาอยู่วัดไมาเข้าคอสปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเรา ทำเป็นประจำทุกวันนะอย่างน้อยตอนเช้าตอนเย็นนะทำในรูปแบบหรือตอนไหนว่างๆก็เฉยโอกาสภาวนาพิกมือบ้า ง, า ง, า ง, า ง, างหายใจบ้างนะให้รู้สึกตัวเลยนะถ้าเราทำแบบนี้เป็นประจำนะพอมาทำทั้งวันทั้งคืนแบบนี้มันก็จะเหมือนกลมกลืนกันไปเลยนะมันก็ มันก็จะไม่ไม่แตกต่างมากนะมันก็ไม่ต้องปรับตัวปรับใจมากนะแต่ถ้าคนที่พออยู่ทั้งโลกนะพอกลับไปทำงานพอกลับไปอยู่ที่บ้านก็ละเลยเรื่องการปฏิบัติหรือว่านะไม่ค่อยเท่าทันนะในช่วงชีวิตประจำวันเนาะมันก็พอมาเข้าคอร์สมันก็เลยเหมือนฝืนบ้างนะแตกต่างบ้างนะในช่วงแรกนะ แต่ก็มนุษย์เราก็มีธรรมชาติที่ปรับตัวเก่งน ะ, ะเราก็ทำไปนั่นแหละาวันเดี๋ยวมันก็เคยชินพฤติกรรมใหม่ๆที่เราทำตรงนี้แหละนะมันก็จะเริ่มสบายขึ้นเริ่มอยู่ตัวมากขึ้นคล้ายๆเหมือนกับคนไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเนาะพอจะต้องมาออกกำลังกายทุกวัน ตั้งใจว่าตัวเองจะออกกำลังกายไม่ว่าจะกีฬาหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะสองสามวันแรกน่ะมันก็จะเกิดความเหมือนช่วงปรับตัวเมื่อยล้านะเหมือนหมดเรี่ยงหมดแรงบ้างแต่พอสักพักหนึ่งกล้ามเนื้อมันก็จะค่อยๆ อ, อยู่ตัวมากขึ้นนะมันก็จะสบายขึ้นนะแม้ก็ทำเท่าเทาเดิมนั่นแหละนะ แต่วันแรกๆมันเมื่อยล้ามากเป็นพิเศษหน่อยแต่พอทําไปเรื่อยก็เริ่มอยู่ตัวมากขึ้นอีกอย่างหนึ่งนะมันก็ไม่ใช่เพียงแค่การที่ร่างกายมันอยู่ตัวเท่านั้นหรอกแต่จิตใจมันกําลังเข้ารูปเข้าร่างเนาะจิตใจที่หลายครั้งหลายหนเราอยู่ในชีวิตประจํำวันมันฟุ้งซ่านมันเก็บอารมณ์ต่างๆ เข้ามาไว้ในใจเป็นขยะหมักมมในจิตใจมากมายเนะี่ยเราไม่ค่อยได้มาชำระล้างไม่ค่อยได้มาเคลียสักทีเมือนกับห้องพักของเราอนะออหรือห้องทํางานของเราถ้าเราทํางานหรือเราอยู่ในบ้านก็ไม่ค่อยได้เอาใจใส่ในการทําความสะอาดทุกวันนะขยะมันก็หมักหมมนะฝุ่นละอองมันก็หมักหมมนะ ถ้าหล า, หลายวันค่อยมาจัดมากวาดมาเก็บเศษทีเนี่ยมันก็มันก็เป็นงานที่ใหญ่พอสมควรเนาะถ้าเราไม่ทำทุกวั น, นปล่อยปะละเลยนานๆทำทีเนี่ยมันก็มันก็เป็นงานใหญ่แต่งานทางโลกบางทีมันก็แล้วแต่โอกาสนะเนาะการเก็บกวาดทำความสะอาดก็อาจจะทำได้ บ่อยๆอ ย, อยู่แต่งานทางทำนี่แหละนะถ้าเราทําทุกวันนีน้จิตใจมันก็จะสะอาดมากขึ้น น, น่ขยะหมักหมมในจิตใจมันก็จะไม่ไม่ค้างคานะเหมือนกับทั้งขยะนะถ้าเราเคลียร์ทิ้งทุกวันทุกวันนะขยะบางอย่างมันเป็นเศษนะ เศษผักเศษผลไม้เศษอาหารต่างๆเนี่ยครึ่งวันวันหนึ่งเนี่ยก็ก็บูดก็เนา่าก็กินไม่ดีละขยะบางอย่างเป็นกระดาษเป็นพลาสติกเป็นอะไรต่างๆเป็นโลหะก็อาจจะไม่เรียกว่าไม่ได้ส่งกลิ่นเสียเท่าไหร่แม้หมักงมยูนนานก็ไม่ค่อยเป็นอะไรเท่าไหร่จิตใจเราก็เป็นแบบนั้นนะ มันก็มีขยะสองประเภทแหละอประเภทหนึ่งนะก็เน่าง่ายนะปล่อยให้มันสะสมในใจครึ่งค่อนวันเนี่ยก็ก็เน่าก็เหม็นก็เสียละอีกประเภทหนึ่งก็ก็เก็บไว้อะก็ไม่ค่อยจะดูไม่ค่อยเป็นอะไรเท่าไหร่หรอกแต่มันก็ยังเป็นขยะในทางขยะอยู่มันก็อาจจะเต็ม หรือาอาจจะล้นไม่ได้ใช้เกิดประโยชน์ต่อไปจิตใจเราก็เหมือนกันนะบางทีก็มันก็เก็บขยะสองประเภทนี่นแหละนะประเภทหนึ่งเนี่ยกเ็เช่นอารมณ์ค้างนะจากจากการงานที่ไม่ได้อย่างที่ชอบใจหรือเจอคนตำหนิอินทา หรือว่ามันเจอเรื่องที่มันทำให้กังวลกบายใจนะแล้วก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเขร่งเครียดนะในวันนั้นในคืนนั้นอันนี้คือขยะที่มันคล้ายๆมันโดนกับจิตใจของเราเนา ะ, ะเรามีความชอบมีความพอใจมีความยึดติดเรื่องใดมากมันก็ถ้าโดนกระทบนะในเรื่องนั้น มันก็กระเทือนมันก็วันไหวเนะี่ยอย่างที่จันตุ้มว่าไว้เมื่อวานเราก็ดูเราก็จะเห็นตัวเองนะว่าตัวเราเองจะกระเทือนจะวันไหวกับเรื่องใดเนะี่ยเป็นพิเศษนะ่ะถ้าวันนั้นโดนกระทบกระแทกเรื่องนั้นมันก็ก็ทําให้ไม่ค่อยรู้สึกชัดเจนเลยว่ามันทุกข์ไม่สบายเนะีย่ยก็เป็นเปรียบเสมือนเป็นขยะนะประเภทแรกที่ เ n e a ง่ายแล้วก็ส่งกิส่งผลแทบจะ ท, ทันทีส่วนี้พวกหนึ่งเนี่ยไปเป็นพวกเรื้อดังครัเป็นพวกเลือดังบางทีเราเราเสพสิ่งหลายอย่างที่มันดูเหมือนเหมือนไม่เหมือนไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยอะไรเนา ะ, นะแต่บางทีมันก็สะสมน ะ, นะถ้าเราเคยชินที่จะเสพติดนะ อย่างเช่นสมัยเนี่ยบางทีเทคโนโลยีเนาะมันก็มีสิ่งสิงย่อยยวนให้เราเสพอะนะบางทีก็เหมือนเสพเล่นๆนะฆ่าเวลาเฉยๆนะหรือว่าเสพแบบอยากรู้อยากเห็นเนาะเรื่องของคนอื่นเรื่องของอะไรต่างๆที่มันบางทีเราก็รู้สึกเออมันก็รู้แล้วไม่ค่อยเป็นอะไรเท่าไหร่แต่จริงๆนะมันสะสม หลายหละอย่างมาสะสมสะสมนิสัยชอบสอดรู้สอดเห็นนบางทีก็สะสมนิสัยชอบชอบคิดวิจารณ์นะบางทีเราเราไม่ได้แค่อ่านเราไม่ได้แค่เห็นแต่บางทีเราก็อไปอ่านคอมเมนต์ของเขาแล้วก็รู้สึกพอใจอ่านคอมเมนต์ของคนนี้รู้สึกไม่พอใจอะไรเนะี่ย มันหรือบางทีเปเสพอ่านขา่นนขาวนั่นข่านี่แยะแยะเนี่ยมันก็สะสมไว้ในใจนะมันดูเหมือนไม่ค่อยมีอะไรนะแต่มันมันก็กลายเป็นจิตนิสัยบางทีก็หลายคนก็เป็นคนชอบชอบคิดชอบวิจารณ์ชอบไปดูคนอื่นสนใจที่อยากจะไปรู้เรื่องราวของคนอื่ น, นพอจะกลับมารู้สึกตัวมันก็เลยเป็น มันเป็นเรื่องที่ยากนะเหมือนขยะที่มันเราสะสมไว้นานๆ น, น, นะแม่ดูมันไม่บูดไม่เน่านะแต่มันก็เต็มนะมันก็ใส่ของใหม่เข้าไปได้ยากถ้าเราไม่เอาของเก่าออกไปเสียก่อนนะนะการภาวนามันก็มันก็ไม่ง่ายถ้าเราสะสมเรื่องพวกนั้นะเยอะๆแต่ที่จริงไม่ใช่ว่า ชีวิตประจำวันของเรามันจะไม่สามารถรับรู้สิ่งอื่นหรือว่าไม่สามารถไปเกี่ยวข้องทำงานอย่างอื่นนะได้นะที่จริงมันสามารถทำได้นดั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าให้เรารู้จักวิธีนะกจัดขยะนะออกไปจากใจทุกๆวันนะนะการภาวนาเป็นประจำนี่แหละนะนะเราทำเป็นประจำเป็นกิจวัตรประจำวันนั่นแหละมันจะเหมือนคล้ายๆเราก็ เคียขยะออกไปทุกๆวัน น, ะ, นะไม่ว่าจะเป็นขยะเน่าเร็วหรือขยะเน่าช้าก็เราภาวนาทุกวันเนี่ยแหละมันจะค่อยๆเป็นการคล้ายๆชำระออกไปให้มันสะอาดขึ้นจิตใจสะอาดขึ้นหรือหลายๆอย่างถ้าเราภาวนาเนี่ยเราจะเห็นขยะพวกนั้นมันเป็นสิ่งที่มีค่าเราสามารถแปลขยะพวกนั้นนะ ไปใช้ประโยชน์ได้ขยะที่มันเน่าเร็วเนี่ยโอ้มันคืออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นแรงๆหรือว่ามันชัดเจนมันกระทบมันกระเทือนใจเนี่ยถ้าเราเห็นนะเห็นมันเนี่ยมันก็เกิดสตินะรู้เท่าทันตัวเองได้ได้เร็วขึ้นนะอย่างที่ว่าจะด็ดนิสัยที่ที่เราเคยชินบ่อยๆนั่แหละพอเราจับทางมานันได้นะเออเห็นนะ เราเออแล้วเดี๋ยว ก, ก็ไม่พอใจละเนะี่เนี่ยคือคนโทสะจริตเนาะนิดนิดหน่นอยหน่อยะก็เริ่มละนะความรู้สึกที่ชัดเจนคือความขัดใจนะความไม่พอใจนะถ้าเราเห็นนะเออมันก็จะไม่ก่อเป็นความโกรธเป็นความเกลียดเป็นความอาฆาตเนะี่ยออเราก็เห็นลนะจริตนิสัยมันทางานละอมันทำงาน มันก็ไม่ใช่ว่าเราแย่เราไม่ดีนะแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นความเคยกินที่เราสะสมในด้านนี้นะแต่พอเรามาเริ่มเห็นมันแล้วเออมันก็จะสะสมน้อยลงไปนะแล้วก็มันก็เป็นการเปลี่ยนนิสัยใหม่นะในการที่ไม่ทํำนะหรือว่าไม่เสพตามอารมณนน์นั้นๆหรือก็อย่างที่ว่าบางคน ชอบสวยชอบงามนะ่ะปรุงแต่งในเรื่องสิ่งที่เห็นหรือสิ่งที่ได้ยินอะไรก็แล้วแต่พอเราเริ่มเท่าทันนะ่ะตาเห็นรูปหูกระทบเสียงละเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจขึ้นมาเนะี่ยพอเรารู้ทันนะเออมันก็ทําให้เราไม่หลงถลำ้ำหรือก็ไปนานนะเราก็ถอนตัวออกมานะ่ะได้ง่ายหรือว่าได้บ่อยขึ้นอันนี้ยแหละ พอเรากลับมาดูตัวเองมาทบทวนตัวเองมันจะเห็นเนะี่ยเห็นสิ่งที่ที่เรามักจะหลงไ ป, ไปบ่อยๆนะ่แหละมันเป็นด้านในมันเป็นเรื่องใดนะมันก็จะเห็นตัวเองเออจะอะไรก็แล้วแต่นะก็แต่ละคนไม่เหมือนกัน เ, ออเราก็อย่าไปไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะบางทีเราไม่สามารถรู้ได้จริงๆหรอกนะว่าคนอื่นเขาเขาเป็นแบบไหนนะบางคนเขาอาจจะ เขาไม่แสดงเฉยๆแต่จริงเขาอาจจะเก็บกดร็าอาจจะเครียด ก, ก็ได้นะเราการภาวนาที่จริงอ่ดูที่ตัวเองเนะเหมือนกับการที่จริงเหมือนเราออกกำลังกายเนาะหรือที่จริงเหมือนกับที่จริงถ้าเป็นการศึกษาที่แท้จริงอนะ่ะมันคือการพัฒนาตัวเราเองนะไม่ใช่เป็นการไปแข่งกับคนอื่นแต่นี้บางทีการศึกษา ทางโลกนะับมันเน้นเหมือนเราเน้นเพื่อแข่งขันนะเพื่อสอบแข่งกันในห้องเรียนหรือเข้าโรงเรียนหรือเข้ามหาลัายนะหรือสอบแข่งเข้าที่ทํา ง, งานการศึกษามันก็เลยเจือไปด้วยการแข่งขันแต่จริงการศึกษาที่แท้จริงคือการคือการศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตัวเองหรือว่าเพื่อเอาไปพัฒนา ชุมชนสังคมต่อไปนะมัเป็นเรื่องของการพัฒนาทั้งนั้นการภาวนาก็เหมือนกันนะเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นคนระูบาอาจารย์หรือเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมกับเรานะเพราะที่จริงการเปรียบเทียบเนะี่ยมันพลอยแต่ทําให้เกิดความทุกข์ใจเช่นเราเปรียบเทียบกับคนที่เขาดูดูดีกว่าเรานะ เราเปรียบเทียบแล้วบางทีเราก็ท้อใจนะสำหรับบางคนโอ้ยเขาดีขนาดนั้นเขาทาได้ขนาดนั้นเราทําไมแย่จังทําไมเราทําไม่ได้แบบเขามันก็จะเกิดความท้อใจนะหรือถ้าเราไปเปรียบเทียบกับคนที่ดูดูแย่กว่าเรานะเขาหลงมากกว่าเราบางทีถ้าเราไม่รู้ทันนะมันก็เหมือนเปรียบเทียบแล้วก็กรยิมยิ้มย่องว่าเราดีกว่าเขาแกแย่แก โม่แกหลงอะไรเนะี่ยมันก็เกิดอัดตราที่มันพองขึ้นมานะหรือเปรียบเทียบกับคนที่เสมอกับตัวเราก็เหมือนคล้ายๆแต่บางทีมันก็ไม่มันเปรียบเทียบในด้านของกิเลสเนานะเออเราก็มีเพื่อนที่ขี้เกียจเหมือนกันนะแล้วก็มีเพื่อนที่เออเราโกรธนะ <c oughs> เพื่อนเราก็โกรธเหมือนกันนะั่นนะเรื่องเนี้ยนะมันก็เปรียบเทียบเออมัน พอๆกันนะส่วนใหญ่เปรียบเทียบแล้วมันก็มันเป็นภาษาพระนะมันเขาเรียกว่ามานะนะไม่ว่าจะดูว่าคนอื่นดีกว่าเราหรือว่าดูาคนอื่นแย่กว่าเราหรือว่าดูว่าคนอื่นเสมอเราเนะี่ยมันก็เป็นมานะนะมานะมันก็เป็นกิเลส ช, ชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดการถือตัวถือตนนะนะแต่การภาวนาจริงๆเนะี่ยเรา เอาเพื่อพัฒนาตนเองเป็นหลักนะนะ น, นั้นพยายามนะอย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะถ้าจะเปรียบเทียบก็เปรียบเทียบกับตัวเราเองนะถ้าเราเห็นเห็นทุกข์เห็นโทษนะว่าขนาดที่ขาดสติขนาดที่ลงไปนะจิตใจเป็นแบบไหนมันทุกข์ใช่ป่าอ่านะมันลงมันไม่พัฒนาใช่ไหมนะถ้าเราเปรียบเทียบโอ้มันลงแบบนั้นเนาะ มันทุกแบบนั้นเนาะเออเรามาพัฒนาตัวเองดีกว่านะก็เห็นดูตัวเองพัฒนาไหมภา ว, วนาหรือว่าเขาวัดบ่อยๆนะฟังธรรมบ่อยๆนะจิตใจพัฒนาไหมน่ะเราก็ดูได้ได้วยตัวเราเองนะเ อ, อเห็นไหมว่าเออทาไปแล้วมันรู้เท่าทันตัวเองมากขึ้นนะ แต่ส่วนใหญ่มันก็ไม่ใช่ว่าจิตมันจะสงบนะจิตมันก็ยังฟุ้งเหมือนเดิมนะธรรมชาติของจิตมันก็ยังฟุ้งมันก็ยังมีกิเลสยังมีสิ่งต่างๆที่มากระทบนะแต่ที่จริงผลของการภาวนาเนี่ยมันคือมันกระทบแล้วมันกระเทือนน้อยลงนะมันไม่ใช่เชิงว่าไม่กระเทือนหรอกนะแต่มันกระเทือนน้อยลงนะอ่า จะมามักเปรียบเทียบเหมือนกับต้นไม้ที่พอมันโตขึ้นเรื่อยๆนะลมพัดหรือว่าคนมาโยกนะมันก็ถ้าต้นไม้ใหญ่ๆมันก็มันก็ไม่ไม่หวั่นไหวหรือว่าวันไหวไม่มากนักนะแต่ถ้าเป็นต้น เ, นเล็กๆนะกิ่งก้านลาต้นยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะลมพัดหรือว่าคนมาโยกมันก็มันก็หวั่นไหวไปได้ง่ายที่อันนี้แหละคือจิตใจของ ของผู้ที่ฝึกตัเองดีขึ้นนะก็มันก็หวั่นไหวน้อยลงนะหรือว่าบางเรื่องบางราวก็ไม่หวั่นไหวเลยนะหรือว่าระยะเวลาในการหลงนะมันก็จะสั้นลงนะแต่ก่อนเคยหลงข้างวันข้างคืนหรือเรื่องนี้คิดวนเวียนซ้าแล้วซ้าเล่านะไม่จบไม่สิ้นสักที หรือหลายรอบเลือเกินนะความหลงมันก็สั้นลงนะมันก็สั้นลงโดยระยะเวลาก็ดีหรือว่าโดยจำนวนรอบที่หลงเก็บมาคิดก็ดีนะมันเหมือนคล้ายๆพอเราได้สติขึ้นมาเออหลงไปคิดนะถึงคำนินทาถึงคำว่าร้ายนะหรือว่าบางทีเราก็หลงไปคิดตำหนิตัวเองก็มีนะโอ้ ไม่น่าทําอย่างนั้นเลยนี่ไม่น่าพูดอย่างนั้นเลยนะ ค, นะคิดแล้วก็เจ็บนะคิดแล้วก็ก็ทุกข์เองนะแต่พอเรามีสติเออเราจะวางมันได้เออเราทุกข์เพราะว่าเราหลงไปคิดนี่เองเนาะนะพอได้สติเอากลับมาอยู่กับปัจจุบันดีกว่าะกลับมาอยู่กับปัจจุบันความคิดมันก็เข้าไม่ได้นะมันเข้ามาแล้วเราก็กลับมารู้สึกตัวใหม่เออมันความคิดมันก็ มันก็จบไปนะมันก็หายไปนะมันจะเข้ามาใหม่อ้าวก็ไม่เป็นไรเราก็มีเครื่องมือนะเราก็มีเครื่องมือในการกลับมาอยู่เนี่ยเนี่ยเราก็ทำตรงนี้แหละนะทำไปเรื่อยมันเป็นการพัฒนานะมันจะค่อยๆพัฒนาไปเองนะเจนทั้งเราเห็นว่าตันหาเนะี่ยผู้สร้างภพสร้างชาตินะเหมือนที่เราสวดพระพุทธเจ้าท่าน เมื่อท่านเข้าใจธรรมะเนี่ยสิ่งที่ท่านนะเป็นพูดเป็นลำแรกเลยเนะี่ยคือเหมือนประกาศนะประกาศตัวเหมือนเป็นชัยชนะเหนือเหนือใครเหนือตันหานะตันหาเนี่ยผู้สร้างภพสร้างชาตินะสร้างเรือนนะเรือนคือภพชาติที่จริงภพชาติอาจจะไม่ใช่แค่ว่าเราเกิดเป็นมนุษย์ตายไปอาจจะไปเกิดเป็น เป็นพบอื่นนะที่จริงพบเนี่ยมันสั้นเขามาย่อเขามาเนี่ยพบในจิตนี่แหละนะนพบความโกรธเนี่ยพบความทุกข์พบความหลงอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นพบที่เราสร้างขึ้นมาในจิตใจเลยนะนยถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนคล้ายๆโกรธขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเหมือนก็เหมือนเราเป็นยักษ์เป็นอสู ร, รกาย ตอนไหนที่มันทุกข์เนี่ยมันก็เหมือนเป็นสัตว์นรกนะนับทุกข์ร้อนในจิตใจทันทีตอนไหนใจดีปิติมีความสุขก็เหมือนเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าตอนไหนนิ่งๆเข้าสมาธิก็เหมือนเป็นพรมเลยนะตอนไหนลง้งเกลื่อยเปื่อยไปทาตามสัญชาตญาณไปก็เหมือนเดรัจฉานเนี่ย ร่างกายหน้าตาเราเป็นมนุษย์นะแต่บางทีจิตใจเราเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติเร็วมากนะมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนตามอารมณ์นี่แหละนี่ยนะคือพบนะการหลงไปสร้างพบก็คือพบที่สำคัญคือพบในจิตใจนี่แหละแล้วการสร้างพบในจิตใจจะเป็นพบภูมิใดก็แล้วแต่บ่อ ย, อยไอ้ตัวนี้แหละมันจะเป็นเรียกว่าอาจินตกรรมนะกรรมที่ทาเป็น เป็นความเคยชินหรือว่าเป็นนิสัยนะถ้าตายไปนะแล้วก็เตินใหญ่ถ้าไม่มีกรรมหนักอย่างอื่นนะอาจินกรรมนีจะพาเราไปเกิดในภพนะในภพที่เราสร้างนะเช่นบางคนก็ล้งนั่นลงนี่เรื่อยเปื่อยทำไปตามธัญชาติยานโอกาสก็สมมติเกิดฟรีภพหน้าก็อาจจะเกิดเป็นเนราชาญ นะเพราะว่าอากินกรรมที่สะสมตรงนี้หรือว่าใครขี้โกรธขี้แค้นเนะจ้าความคิดความเห็นวิพากษ์วิจารณ์มองแต่คนอื่นนะลืมดูตัวเองก็นะอาจจะกลายเป็นเป็นอสูรรักกายนะต่อไปแต่นี่ก็คือการสะสมมาของพบของชาตนะิที่มันทำาถึนความความเคยชินแต่การภาวนานเนี่ยมันเป็นการ เรียกว่าล้างภพล้างชาติตัวนี้แหละนะเมื่อเรามีสติเรารู้ทันนะว่าเออมันมันเกิดการสร้างพบสร้างชาติในจิตในใจนะเออมันเป็นการถอนมันเป็นการลื้อน ะ, นะลือล้อเดือนลื้อภหลื้อชาตินะออกไปจากจิตใจเราได้ในแต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยมันจะช่วยทำาน้ให้เราเห็นว่าเออเราหลงมาสร้างละนะ หรือจะเรียกอีกอย่างก็เรียกปรุงแต่ง น, นะเนาะเราหลงไปปรุงแต่งเราหลงไปคิดปรุงแต่งบางทีเราก็หลงเข้าไปอยู่ในอารมณ์นะเลยดื่มตัวแต่การที่เรามีสตินเนี่ยเราก็ทําให้เราเลิกปรุงแต่งซะนะหรือว่าออกมาซะนะในภาษาพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าเป็นญาณปัญญานเป็นญาณบนะางนะที ในทางโลกในทางธรรมบางทีใช้คําว่าปัญญาเฉยๆเนะี่ยมันยังคุมเครืออยู่เนาะเพราะทางโลกเราก็ใช้ปัญญาว่าเป็นเรื่องของความรู้นะความเข้าใจนะในทางธรรมนะปัญญาคือการรอบรู้ในกองสังขารคือกายกิอใจนะรอบรู้นะเข้าใจแต่เพื่อให้ความชัดเจนขึ้นนะนะโด เติมคาว่ายานเข้าไปนะยานคือมันมันไม่ใช่แค่รู้เฉยๆแต่เรียกว่ามันเป็นการข้ามนะมันพ้นไปด้วยนะยานเนี่ยมันคือมันข้ามพ้นไปนะเหมือนพระพุทธเจ้าบางทีท่านเปรียบเทียบเหมือนคล้ายๆเราอยู่ในเรือหือในแพเนาะไปเทียบฝั่งนะเทียบฝั่งเทียบท่าแล้วแล้วก็ข้ามขึ้นบนฝั่งได้นะ มันข้ามแบบนั้นนะมันไม่ใช่เพียงคแค่รู้บางทีเราจะสับสนว่าเฮ้ยเราเหมือนก็เหมือนรู้นะรู้แล้วทำไมมันไม่ละรู้แล้วทำไมมันไม่ข้ามสัทีเพราะว่ามันยังไม่ได้เกิดญาณ น, นะมันยังไม่เกิดญาณปัญญาที่แท้จริงหรือบางทีพระพุทธเจ้าท่านก็จะพูดชัดเจนนะอย่างศีล ส, สมบูรณ์แล้วสมาธิสมบูรณ์แล้วปัญญาสมบูรณ์แล้วนะ ก็ยังไม่ใช่ที่สุดนะมันที่สุด อ, อีกอีกทีคือมันต้องมีวิมุตต์นะคือหลุดพ้นนะมันทําให้เห็นชัดเจนว่าเออมันพ้นนะมันพ้นหรือว่ามันข้ามไปนะมันไม่ใช่เพียงแค่ความรู้นะหรือถ้าสลวงพ่อเทียนก็จะพูดนะ ง, ง่ายๆว่ารู้จํารู้จักนะรู้แจ้งรู้จริงนะบางทีเราก็ รู้จำนะได้ยินได้ฟังได้อ่านนะรู้จำรู้จักนะก็เหมือนพอทาพอพอได้เห็นบ้างพอได้เข้าใจบ้างนิดๆหน่อยแต่ยังก็ยังไม่แจ่มแจ้งนะนะต่อไปพอทำให้มากเออก็รูแจ้งนะรู้แจ้งรู้รู้ชัดเจนขึ้นแต่รู้จริงเนี่ยรู้แบบพน้นนะรู้แบบข้ามนะ มันเป็นทำได้จริงๆนะมันไม่ใช่แค่รู้นะมันทำได้จริงๆเนะี่ยการภาวนาก็จะเป็นการพัฒนานะพัฒนาจิตใจเนะี่ยให้มันเกิดการข้ามพ้นนะข้ามพ้นกิเลสนะข้ามพ้นสิ่งที่เคยหลงนะในแต่ละในแต่ละขณะที่มันหลงไปสร้างพบสร้างชาตินี่นแหละนะมันเป็นการลื้อถอน แล้วก็เ น, นี่ยทําแบบเนี้ยบ่อยๆเนี่ทําจนเป็นนิสัยเอามาว่าที่จริงการทําเป็นนิสัยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราควรที่จะต้องทำํำนะนิสัยที่จะกลับมารู้ตัวนะนิสัยที่จะเอไม่ทําตามใจกิเลสนิสัยในการที่จะเจะเดินกุศล น, นะกุศลอะไรที่เป็นกุศลน่ะเราจะเิญเลยนะ นะทุกอย่างมันเป็นการมันเป็นสิ่งที่เกื้อกูลกันนะนอกจากเรารู้สึกตัวนั่นแหละแต่รู้สึกตัวมันก็จะนำพาทำให้เกิดนะทานนะทานคือความเสียสละนะที่จริงทานคือความเสียสละนะทานไม่ใช่เพียงแค่การให้วัตถุสิ่งของนะเราสามารถเสียสละนะทั้งวัตถุสิ่งของก็ได้ เสียสะทั้งแรงแรงงานแรงหรือเสียสละเวลาของเราก็ยังไดนะ้หรือเราเสียสละภายในจิตใจเนาะความโกรธความเกลียดนะเป็นอภัยทานนะหรือที่จริงแม้แต่เราทำสิ่งอะไรที่ดีๆแล้วเราก็ไม่ต้องหวังพ้นตอบแทนนะไม่ต้องคิดว่าจะต้องได้อะไรนะ่มันเป็นความสละนะ สระเป็นจาคะทานก็เลยเป็นจาคะคือสระออกไปนะสระความตะนีทีเหนียวออกไปนะสระความโกรธความเกลียดออกไปสระความหลงออกไปเนะีนะ่ยมันก็เป็นการหนุนหนุนกันเนาะนอกจากบางครั้งบางขณะเราทำเราต้องทําการทํางานเนี่ยมันเกิดความเห็นแก่ตัวขึ้นมามันเกิดความโกรธขึ้นมาเนี่ย เราก็อาศัยทานช่วยเออทานเข้ามาช่วยก็ได้นะหรือบางทีก็อาศัยศิลเข้ามาช่วยนะศิลก็ไม่ใช่เพียงแค่ศิลห้าศิลแปดนะแต่ศิลจริงๆคือศิลที่เรียกว่าเป็นอินทรีย์สังวรศิล น, นะคือศิลในการที่เรารู้เท่าทันตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจนะมันกระทบนะ มันเกิดความวันไหวอะไรขึ้นมาในใจนะสติตัวนี้นจะทำให้เราสำรวมทำให้เรียบร้อยนะมันจะสำรวมระ ว, วังเรียบร้อยอ ม, มันก็จะเออกิริยามารายาทภายนอกมันก็จะเรียบร้อยตามเพราะอะไรพอเรามีสตินะรู้เท่าทันตาหูจมูกลิ้นกายใจละมันก็ทำอะไรดร้วยความเรียบร้อยแต่ไม่ใช่ว่า เสแสร้งนะแต่เพราะว่าใจมันใจมันสํารวมใจมันระวังนะในการมองเห็นอะไรต่างๆในการทําต่างๆพอมันสารวมระวังแล้วมันก็เรียบร้อยไปของมันเองนะอืแต่กไไ็ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะนะแต่ละคนก็ความเรียบร้อยของแต่ละคนเราก็ดูตัวเองนะไม่ต้องไปเปรียบเทียบของแต่ละคนอาจจะมีค่านิยมความคิดเนะี่ย แบบไทยแบบตะวันตกแบบอะไรก็แล้วแต่แบบจีนมันก็อาจจะบางทีก็มีเหมือนกันบ้างนะแต่ถ้าเรารู้ตัวเออเราเรารู้ทันนะรู้ทันนะตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเนะี่ยมันก็จะเกิดความสำรวมระวังนะเกิดกลายเป็นศินที่บริสุทธิ์ขึ้นนะมันพวกนี้มันก็จะช่วยในการภาวนาเพราะว่าขยะในใจมันก็จะน้อยลงไป ขนะยะในใจมันน้อยลงเพราะว่าเราจาคะเราสลระเราทานออกไปบ่อยๆนะมันก็ไม่สะสมความเห็นแก่ตัวไม่สะสมกิเลสนะหรือเรารู้เท่าทันตาหูจมูกลิ้นกายใจเนะี่ยมันเหมือนเป็นการป้องกันนะป้องกันไม่ให้สนะิ่งที่เห็นเนะี่ยมันมาหมักหมมมันมาเก็บไว้ในใจ สิ่งที่คิดก็เหมือนกันคิดแล้วก็ผ่านไปที่จริงพวกนี้นะถ้ามองดีๆนะมันเหมือนลมพัดผ่านนะเราสามารถเก็บลมไม่ได้เปล่ามันจะมีเครื่องมือไหนเก็บลมไว้ได้นะมันก็เก็บไม่ได้เนาะมันพัดมาแล้วก็พัดไปเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งความคิดก็เหมือนกันนะมันก็ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านเข้าไปนะถ้าเราเห็นความคิด รู้สึกว่าความคิดมันเป็นเหมือนลมมันนะมันก็สบายนะมันก็มันก็แค่ผ่านเข้ามานะความคิดหรือจะเรียกอย่างว่าอารมณ์ก็ได้นะอารมณ์ชื่อมันก็บอกนะแต่เพีนงแว่ารอเรือกับรอริงมันก็ต่างกันบ้างนะแต่ก็มันเป็นนักหนักคล้ายๆกันนะเห็นไหมบางทีในใจเนี่ยเดี๋ยวอารมณ์ก็พัดเข้ามาเป็นความสุขใจความพอใจ เดี๋ยวอารมณ์มันก็พัดมาเป็นความทุกข์ใจนะความไม่สบายใจนะหรือบางทีมันก็พัดมาแบบเงียบๆ น, นิ่งๆเป็นความเฉยนะเห็นไหมเหมือนลมภายนอกนะบางทีก็พัดลมเย็นๆสบายใจบางทีก็พัดแดดร้อนไอร้อนเข้ามาเกิดความไม่สบายเนื้อสบายตัวหรือบางทีก็นิ่งๆ น, นะ แต่ก็ใช่ว่าไม่มีลมนะมันก็มีแต่มีแบบนิ่งๆมีแบบไม่แรงนะจิตใจเราก็เหมือนกันนะเนะ่มันก็มีสุขบ้างมีทุกบ้างมีเชยเชยบ้างอนะไรเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราก็สามารถเอามาเป็นเครื่องเ้ารู้ได้เหมือนกันนะเนะีนะ่ยอันนี้เรียกว่าเป็นการรู้เวทนานุปัสนาสติปัฏฐานนะรู้สิ่งที่เกิดขึ้นนะ เวทนาคือความสุขหรือความทุกข์หรือความเฉยเนะี่ยมันมีมันมีอยู่เป็นประจำนะหรือเราจะดูจิตตานุปัฏนาสติปัฏฐานเนะี่ยดูดูจิตใจนะจิตใจดูเป็นคู่ๆนะโดยเป็นคู่ๆเช่นโกรธกับไม่โกรธนะอยากก็คือโลภ ก, กับไม่โลภอะไรแบบนะี้นะ หรือว่าหลงกับไม่หลงนะดูเป็นคู่คูนะ่ถ้าเราดูเป็นแบบนี้นมันก็จะเห็นว่ามันมันเกิดขึ้นบ่อยๆนะเช่นบางคนโทสะจิตโกรธบ่อยๆหรือไม่พอใจบ่อยๆเนะี่ยก็ดูเดี๋ยวจิตก็โกรธเดี๋ยวจิตก็หายโกรธเดี๋ยวก็มันก็เดี๋ยวก็ไม่พอใจกละพอรู้ทันมันก็หายละไม่พอใจนะจิตมันก็จะเห็นแบบนี้นนะ มันก็จะมีตัวคู่ที่เกิดบ่อยๆนะที่อย่างที่ว่าจริตนิสัยความเคยชินแต่บางทีมันก็มีตัวอื่นมันก็จรเข้ามาเหมือนกันแหละนะมันคนเราไม่ใช่จะมีนิสัยเดียวหรอกนะทุกคนอนะมันผสมกันไปหมดนั่นแหละแต่มันแค่บางอย่างมันเด่นกว่าอย่างอื่นก็เท่านั้นนะล้วก็ดูแบบนั้นก็ได้ดูจิตใจนะดูดูสภาวะนะเป็นคู่คู่ไปพอเราจับทางไนดะ้ เดี๋ยวก็โกรธมาละแต่โกรธมันดีนะมันเป็นตัวที่ถ้าเราจะเดินวิปัสสนาเนี่ยทุกอารมณ์นะทุกสภาวะเนี่ยเราจะแปลงมันเป็นปัญญาได้นะ <c oughs> ก็คือทำให้เราเห็ น, เ, นเห็นไตรักของมันนั่นแหละทุกอย่างเนี่ยมันไม่เที่ยงนะมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปทั้งนั้นเลยเนะ ทุกอย่างเนี่ยมันบังคับไม่ได้นะอม่มันก็เกิดตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่ตามใจเราอยากนะใช่ไหมลองดูมาว่าคนเราส่วนใหญ่ถ้าอยากก็อยากจะดีๆกันทั้งนั้นนะอยากจะสงบอยากจะดีอยากจะมีสติทั้งนั้นแหละแต่ความอยากก็ไม่ใช่ว่าเราอยากแล้วมันจะได้ใช่ไหมถ้าเราไม่ทำดังนั้น เราก็ไม่อยากจะโกรธนะเราก็ไม่อยากจะเกลียดนะแต่บางทีมันก็ห้ามไม่ได้อันนี้เราเรียกว่าเป็นอนัตตานะเราไม่สามารถบังคับบัญชาได้นะมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะมันเกิดเหตุแบบนี้นะมันก็เลยเกิดผลเช่นนีนะ้แต่เราก็สร้างเหตุใหม่ได้นะสร้างเหตุในการมีสติรู้เท่าทันเนะี่ยมันก็ได้เกิดผลก็คือการปล่อยการวาง คือความไม่ทุกข์นะมันก็เกิดขึ้นมาตามมาได้เ น, นี่ยเนี่ยเราก็สร้างเหตุตอนนี้ยตามมาอ่าแต่ทุกอย่างมันมันก็เป็นมันเป็นทุกข์นะเป็นทุกข์ไม่ใช่ว่าทุกข์ใจนะมันถึงว่าเป็นทุกข์คือมันมันไม่สามารถคงที่คงทนอยู่ได้นะเหมือนเสาเหล็กเนี่ยโอ้มาตรฐานอย่างดีที่หนึ่งนะแข็งแรงมาก แต่เด็กมันก็ยังมีความเป็นทุกข์ของมันน ะ, นะผ่านไปไม่รู้กี่กีหมื่นกี่แสนกี่ล้านเพียน <c oughs> เด็กมันอาจจะเปลี่ยนสภาพเป็นแร่อย่างอื่นก็ได้ก็ไม่รู้นะหรือมันก็มีความเป็นทุกข์ถ้ามีปฏิกิริยาเล็กนะเอาไปลอมเอาไปละลายมันก็เปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างได้อันเนี้ยเด็กมันนานหน่อยหรือแค่ามาดูใกล้ๆหน่อยเนียอย่างต้นไม้แบบนี้ย ต้นถ้าไม่ใช่ต้นไม้ยืนต้นมากนะก็ไม่เกินสิบปียี่สิบปีก็ต้องล้มไปนะมันเป็นทุกข์นะทุกข์โดยสภาวะนะหรือยะถ้าจะเปรียบเทียบง่ายเหมือนอย่างที่เปรียบเทียบเหมือนขยะอย่างเช่นอาหารนะมันข้าวเดาหุงดีดีตอนเช้าเนี่ยมันก็น่ากินน่ารับประทานแต่พอรุ่งเช้าขึ้นมาอีกวันก็มันก็เป็นข้าวที่เสียละ กินก็ไม่ได้ละเกิดโทษละนีะ่คือเนี่ยมันเป็นทุกข์คือมันเปลี่ยนแปลงถ้าเราดูดีๆจิตใจเราเยิ่งเป็นทุกข์มากกว่าวัตถุเลยน ะ, นะใจ ม, ม, ม, ม, มันไม่สามารถที่จะคงที่อยู่ได้นานหรอกนะดังนั้นเวลาภาวนาเนี่ยก็เลยว่าบางทีถ้าเราพยายามไปกำหนดมันมากเกินไปเนี่ย เราพยายามจะทำให้มันเที่ยง เ, ยเช่นพอามมันสบายพอมัน ม, มีความสุขความันไม่คิดเราไปกําหนดไปมันก็คือเราพยายามทำให้มันผิดกฎไตรักเนาะเราพยายามทำให้มันเที่ยงเราพยายามทำให้มันเป็นสุขอยู่ตลอดเราพยายามไปบังคับมั น, นทีนักปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องระวังเนี่ยเรามักจะทาผิดน่ะ ทำตรงข้ามกับกฎไตรักนี่แหละนะเราพยายามไปจัดการนะอารมณ์แบบจัดการแบบนักจัดการนะแต่ถ้าเอาสติจัดการเนี่ยคล้ายๆมันมันเป็นของมันเองตามเหตุตามปัจจนะัยก็คืออย่างที่ว่าพอเกิดกิเลส ข, ขึ้นมาพอสติรู้ทันมันก็ถอนเองของมันนะไม่ใช่ว่า ถอนด้วยความอยากไม่จะต่างกันยังไงนักจัดการเนี่ยคือจัดการด้วยมีเบื้องหลังคือความอยากคือกิเลสตัณหาเพราะเราอยากเราก็เลยจัดการแบบนี้หรือเพราะเราไม่ชอบไม่อยากเราก็เลยจัดการแบบนี้คือจัดการเนื่องด้วยใจลึกก็คือเราเราพอเราชอบหรือเราไม่ชอบเราอยากหรือไม่อยากมันก็เลยไปจัดการ แต่ถ้าเอาสติจัดการเนี่ยมันไม่ใช่จัดการด้วยความอยากด้วยความไม่อยากนะแต่มันจัดการด้วยความรู้ความเข้าใจเนี่ยเมื่อเรารู้ตัวเออมันก็มันก็ดับไปของมันเองเนยเมื่อเรารู้ทันเออมันก็มันก็หายไปของมันเองนี่คือมันเป็นการจัดการพลแบบมันเป็นการจัดการแบบเชิงพุทธคือแบบนี้พอเรารู้ทันเนี่ยเรารู้แล้วมันก็ มันก็ละมันก็วางได้เนี่ยเราก็มันจะสุขก็ช่างมันจะทุกข์ก็ช่างนะที่จริงโดยสภาวะที่ทําให้เกิดปัญญาเนี่ยคือสภาวะถึงการเรียนรู้ทั้งนั้นน่ยมันไม่ใช่ว่าอะไรดีกว่ากันไม่ดีกว่ากันนะแต่ส่วนใหญ่เราก็จะชอบสุขไม่ชอบทุกข์แบบนี้เนาะแต่จริงถ้าเรามีสติดูจริงๆเนะี่ยมันก็จะดูแบบดูแบบซื่อๆดูแบบเฉยๆดูแบบที่ใจเป็นกลาง ด้วยความเสมอกันได้เนาะมันก็ไม่ใช่ว่าอันนี้มันชอบอันนี้ไม่ชอบอันนี้มันดีอันนี้ไม่ดีภาวนาจริงๆนะไม่ไม่สนใจพวกนั้นเลยนะออไม่สนใจดีหรือไม่ดีชอบไม่ชอบมีเหตุมีผล น, นั่นนี่วางไปทิ้งหมดเลยนะมันก็เป็นเรื่องที่บางทีทางโลกเราไม่เคยเรียนดูเนาะนีอ อยากจะมาใหม่ๆเนี่ยหลวงพ่อพูดเนี่ยไม่ให้เอาเหตุไม่เอาผลไม่ให้เอาถูกไม่ให้เอาผิดนะไม่ให้เอาดีไม่ให้เอาไม่ดีมันไม่ค่อยมันไม่มันไม่พอใจเท่าไหร่นะมันมมันไม่ค่อยเชื่อมันฝืนืนเยอะนะแต่เราลองภาวนาจริงๆอะมันจะเห็นว่าโอ้ที่หลวงพ่อไม่ให้เอาเนี่ยพ่อมนเอาแล้วมันทุกข์นี่เองนะเอาแล้วมันยึดเนะมันก็ทุกข์นะ แต่ไม่เอาเนี่ยก็ก็เหน็นเป็นเพียงแค่สภาวะอาการที่มันเกิดขึ้นหรือถ้าเราจะใช้ในทางโลกเราก็เพียงแค่ใช้แต่ไม่ต้องไปยึด เ, เหมือนสิ่งของบางอย่างเราก็ใช้ใช้แล้วก็วางามันก็เกิดความว่าง เ, าเราก็รู้ว่านี้มันผิดศีลเราก็ไม่ทำแต่ทำแล้วก็ทําแล้วก็วางก็ไม่ใช่ไปยึดว่าเรา ดีกว่าคนที่เขาผิดศีลเนาะอะไรก็ไม่ใช่ไปยึดแบบนั้นเรามีสติก็เหมือนกันเห็นคนขาดสติก็ไม่ใช่ว่าจะไปยึดออว่าเราดีกว่าเขา เ, ออเขาแย่เขาไม่ดีอรก็ไม่ไม่ปีปยึดก็แค่ทำแล้วก็ทำแล้วก็วางดังนั้นโดยสภาวะนะไม่ว่าจะเป็นสภาวะอะไรก็แล้วแต่รู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางนะ เนี่ยมันมีค่าเท่ากันนะอมันมีค่าเท่ากันเนะี่ยเราพยายามฝึกแบบนี้นแหละเนะี่ยพอฝึกบ่อยๆจิตมันก็จะเป็นกลางจิตมันก็จะวางเฉยนะมันก็จะเกิดเหมือนที่ครูบาอาจารย์พูดวนะ่ามันรู้ซื่อๆนะรู้ซื่อๆเนี่ยดูด้วยความเป็นกลางรู้ด้วยความตั้งมั่นดูแล้วก็ไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์ไม่ไปปรุงแต่งต่อเนะี่ยคือรู้ซื่อ เราภาวนาไปจิตมันก็จะซื่อๆแบบเนี้ไปพอจิตมันมันคงแข็งแข็งบางทีพอมันสิ่งที่มากระทบเนี่ยมันก็มันพอเรามั่นคงเราซื่อๆเชยๆเนี่ยมันก็มันก็ไม่กระเทือนนในหลายๆอารมณ์มันก็ไม่กระเทือนนอกจากบางอารมณ์ที่เราไม่ทันมันก็กระเทือนบ้างอันนี้แหละเราก็ มันก็จะเกิดผลเดาเกิดความมั่นใจเออจิตใจมันเปลี่ยนแปลงแล้วเนาะจิตใจมันเกิดการพัฒนาแล้วเนาะจิตใจมันข้ามมันล่วงมันพ้นบางสภาวะได้แล้วเนาะเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นความเห็นแล้วว่าเออเรามาถูกทางลนะเนเรามาถูกทางเนะี่ยแต่มันก็ต้องทําไปเรื่อยๆนะอย่างพระพุทธเจ้ า, าท่านก็ยังตัดสอนพวกเราเนาะในเรื่องความ ไม่ประมาทนะไม่ประมาทนะแม้เราจะเป็นผู้ที่สนใจในธรรมะในสิ่งที่ดีแล้วแต่ตราบใดถ้าเรายังไม่สามารถที่จะลนะะกิเลสละตัณหาไปได้ทั้งหมดเราก็ยังต้องทำความเพียรไปเรื่อยๆวันนั้นก็เลยอย่างที่ว่าให้ทำเป็นนิสัยทำเป็นความเคยชินไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเมื่อเราจะทำอะไรเนะี่ย อย่าลืมหน้าที่หลักอย่างหนึ่งของเรานะคือการพัฒนาจิตใจนะหรือว่าการภาวนานะเอาไปใช้ในทุกที่เลยนะอ ย, อย่าเอามาใช้แค่ตอนที่เราทาในรูปแบบเท่านั้นนะเราเอาไปใช้ในทุกที่นั่นแหละมันจะเป็นเครื่องคุ้มครองใจนะมันจะเป็นการพัฒนาสติปัญญาในทุกขณะเลยนะทำบ่อยๆทำจนเป็นความเคยชิน ทำจะเป็นนิสัยนั่นแหละดีที่สุดเลยนะนมันจะทำให้เราอยู่ที่นันมันก็มีความสุขกายสุขใจนะที่เกิดจากฝนของการภาวนาตัวเนี้ยได้เป็นประจำเอาเอาไปใช้การเจอสตินะมันจะเกิดปัญญาเกิดญาณขึ้นมานั่นแหละเพราะเราต้องเอาไปทำบ่อยๆ ชาตินี้แต่ก็ทําแบบไม่ต้องไปหวังผลนะว่าเราจะต้องเป็นพระอริยบุคคลต้องเป็นพระราหารันต้องเป็นนั่นเป็นนี่นะทําไปแล้วเอาแค่ว่าเออมันมีทุกข์ก็พอละเนีแล้วก็ไม่ทุกข์ในแต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยดีละนะไม่ต้องไปคิดอยากเป็นนั่นเป็นนี่นะบางทีมันมันจะทําให้เรา เกิดความอยากขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ทันแม้อยากด้านดีนะอยากจะบรรลุธรรมนะหรืออยากจะเข้าใจธรรมะจะได้ไปซ้อนกันอื่นอะไรเนะมันก็ยังเป็นเรื่องที่มันไปปรุงแต่งพบปรุงแต่งชาติเหมือนกันนะเอบางทีก็อาจจะไม่ทําไม่รู้ตัวก็จะกลายเป็นมานะกลายเป็นตัวตนอะไรขึ้นมาะแต่เราก็ทําเออ ทำเพราะว่าเราพอใจที่จะฝึกฝนตนทำเพราะพอใจที่จะอละกิเลสละตัณหาหรือทําเพราะว่าเห็นเป็นประโยชน์นต่อส่วนอื่นต่อสิ่งอื่นนะแล้วก็ทําไปแบบทำแบบสละสละนะเนะทําแบบมีความสุขที่ได้ทำนั่นแหละสาคัญที่สุดนะธรรมะเนี่ยอนะมันเป็นความสุขที่เราได้ทำํำนะเมื่อเราทําจเป็นนิ่งนั้นก็จะมี มีความสุขนะทุกขณะที่ได้ทำเหมือนกันนะนาก็ฝากไว้นะในเช้าวันนี้